หกเจริญได้ก็เสื่อมได้วงเล็บเปิดยีสาพฤศจิกายน2549วงเล็บปิดไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกนะฝึกให้เห็นเลยของมันเสื่อมดีบ้างไม่ดีบ้างมันไม่เที่ยงฝึกให้เห็นอย่างนี้ทีนี้พวกเราอยากได้ดีช่วงไหนภาวนาแล้วจิตใจดีเราพอใจเราถือว่ากูเก่งกูเก่งช่วงนี้ดีชมตัวเองด้วยนะไม่มีใครชมก็ชมเองช่วงไหนภาวนาไปแล้วจิตใจแย่ลง โอ้แย่แล้วหมูนี้เราไม่ดีแล้วที่จริงภาวนาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันดีได้มันก็เสื่อมได้มันเจริญนได้มันก็เสื่อมได้นะดีได้ก็เลวได้สุขได้ก็ทุกได้แต่อย่าไปช่วยมันทุกนะอย่าไปช่วยมันชั่วนะให้รู้มันให้มันเสื่อมไปเองเสียหายไปเองแล้วคอยรู้ต้องขยันดูนะถ้าไม่ขยันดูแล้วมันเสื่อมนี่ใช้ไม่ได้อินพุตในวงเล็บการปฏิบัตินี่ต้องคงที่ไว หมายถึงภาวนาทุกวันไม่ละเลยแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันสักวันอันนี้ดีไม่ต้องเหมือนกันมันจะสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าทำอะไรไม่ได้จริง